ยะท้าวริวหาปูลาภิปูเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปติตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสัเพปูเรนตุสังกะปาจันโทปนละโศยะท้า มณิโชติละโสยาทั้